บทที่1นึมรณกรรมคำบรรยายในหนังสือนี้เป็นเพียงสภาวะของพบภูมิหนึ่งที่มีความชอบความเชื่อในแนวเดียวกันยังมีความยึดติดในการมาคุณคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีตัณหาอุปาทานความรู้ความศรัทธาไม่ต่างกับตอนมีชีวิตซึ่งยังมีพบภูมิอีกมากมายและความจริงอีกหลายอย่างที่ท่านเจ้าของเรื่องและเทวดาในที่นั้นยังไม่สามารถเข้าถึงได้จึงควรศึกษาด้วยความเข้าใจ ว่าท่านบรรยายด้วยพื้นฐานที่มีอยู่ด้วยขอบเขตจำกัดและเป็นลักษณะเฉพาะถิ่นหรือภูมิภาคของท่านเท่านั้นเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นโปรดฟังคำอธิบายต้นเรื่องคำปรารฏคำนาและอื่นๆทั้งหมดให้เข้าใจก่อนฟังเนื้อหาหลักจะดีที่สุดนะครับท่านผู้อ่านทั้งหลายคงอยากทราบว่าข้าพเจ้าเป็นใครท่านทั้งหลายข้าพเจ้านั้น แม้เดิมจะมียศตำแหน่งในทางโลกอยู่บ้างแต่บัดนี้ได้ละทิ้งสิ่งสมมุติเหล่านั้นมาแล้วโดยสิ้นเชิงเราบรรดาฐานายศบรรดาศักตร์ของทางโลกทั้งหลายนั้นเรานำติดตัวมาด้วยไม่ได้เลยแม้แต่น้อยหลังจากการแตกสลายแห่งร่างกายแล้วสิ่งที่จะนำติดมาได้มีอยู่อย่างเดียวคือสภาพจิตของเราเท่านั้นท่านมีจิตหยาบหรือประณีดเพียงใดก่อนแต่มรณกรรมความหยาบหรือประณีดแห่งจิตของท่านเท่านั้น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 ในสมัยนั้นข้าพเจ้าก็เช่นเดียวกับคนส่วนมากคือเชื่อตำตามกันไปในเรื่องที่เกี่ยวกับาศาสนาโดยไม่ได้สนใจคิดหาเหตุผลและความจริงแต่อย่างใดเมื่อข้าพเจ้าเจริญวัยขึ้นได้บวชเป็นพระก็ศึกษาธรรมะและเทศสั่งสอนประชาชนไปตามข้อความในคำภีซึ่งต่อมาภายหลังก็ทาให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีชื่อเสียงในการแต่งหนังสืออยู่ไม่น้อยข้าพเจ้าเคยได้เห็นนิมิต จากการบันเพนเพียนทางจิตยอยู่บ้างเป็นบางครั้งแต่ก็มักจะได้รับการวิพากวิจารณ์ว่าเป็นภาพมายาที่พวกผีปีศาจแสดงหลอกหลอนให้เห็นจึงทําให้ข้าพเจ้าเองบางครั้งก็ไม่แน่ใจในตนเองเหมือนกันความจริงเรื่องเหล่านี้เมื่อข้าพเจ้าเดละกายเนื้อมาสู่โลกทิพย์ในบัดนี้แล้วจึงได้เห็นความจริงว่าเรื่องที่เกี่ยวกับโลกหน้าอันปรากฏอยู่ในคำภีรศาสนานั้นให้ความกระจ่างได้น้อยเหลือเกิน และส่วนมากก็ไม่ตรงกับความจริงเสอีกด้วยนี่คือความเป็นมาในอดีตของข้าพเจ้าโดยสังเขปหมายเหตุผู้อ่านในที่นี้ท่านผู้เขียนท่านเป็นชาวต่างชาติในการบวชเป็นพระของท่านเป็นการบวชในศาสนาคริสต์และคำภีศาสนาที่พูดถึงไม่ใช่คำภีของพุทธนะครับบัดนี้ข้าพเจ้าจะเล่าให้ท่านฟัง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 ในขณะที่ดวงจิตกําลังจะแยกตนเองออกไปจากกายเนื้อนั้นต้องต่อสู้และดิ้นรนอย่างรุนแรงเท่าที่ปรากฏเราจะรู้สึกเหมือนว่าในขณะที่จิตกําลังจะออกจากร่างนี้จะต้องมีความเจ็บปวดอย่างแรงกล้าหรือไม่ก็คงต้องได้รับการทรมานจากการหายใจมิใช่น้อยเพราะในขณะนี้การหายใจจะรู้สึกว่าเป็นไปอย่างลําบากมากแ ล, ลมหายใจจะสั้นเข้าทุกที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 คงจะไม่เกิดจากเหตุอนันรุนแรงเกินไปนักความหวังของข้าพเจ้าเป็นผลสาเร็จการแตกสลายแห่งร่างกายของข้าพเจ้าไม่ได้เป็นไปด้วยวิธีอนันรุนแรงสมตามประสงค์แต่ก็มีความลำบากอยู่บ้างเช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าเคยประสบมาในรายบุคคลอื่นๆก่อนหน้าจะถึงกำหนดมรณะนั้นข้าพเจ้าเองก็มีความรู้สึกอยู่ว่า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 อยากจะตายเสียเร็วๆในระหว่างนี้ข้าพเจ้าไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวสงสัยหรือเสียใจอย่างใดเลยในการที่ต้องจากโลกนี้ไปคงต้องการอยู่อย่างเดียวคืออยากไปเสียให้พ้นเท่านั้นท่านใดนั่นเองข้าพเจ้าก็เกิดความรู้สึกอยากจะลุกขึ้นอย่างรุนแรงและก็รู้สึกว่าตนเองกำลังลุกขึ้นจริงๆ แต่ในขณะเดียวกันก็ได้เห็นว่าผู้ที่ได้เฝ้าดูอาการอยู่โดยรอบนั้นหาได้เห็นไม่ว่าข้าพเจ้ากําลังลุกขึ้นเพราะเขาเหล่านั้นไม่ได้เข้ามาช่วยประคองข้าพเจ้าหรือห้ามปรามไม่ให้ลุกขึ้นแต่อย่างใดเลยบัดนี้ตามความรู้สึกของตนเองเมื่อข้าพเจ้าลุกขึ้นเช่นนี้แล้วจึงได้หันไปมองดูรอ บ, รอบ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 ที่เคยค้นคว้ารวบรวมมาปฏิประต่ะตอ ก, กันเข้าในสมัยเมื่อยังเป็นมนุษย์ข้าพเจ้ารู้ทันทีว่าบัดนี้ข้าพเจ้าได้ตายแล้วแต่ก็รู้อีกว่าข้าพเจ้ากำลังมีชีวิตอยู่ในบัดนี้ข้าพเจ้าตระหนักดีว่าได้สลัดทิ้งความเจ็บปวดของร่างกายออกไปแล้วในระหว่างนี้รับรองว่าไม่มีความรู้สึกสลดใจหรือเสียใจในสภาวะ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 และข้าพเจ้าก็สังเกตเห็นว่าเขานุ่งห่มด้วยเสื้อผ้าแบบเดียวกับข้าพเจ้าเหมือนกันในระยะแรกๆข้าพเจ้าปล่อยให้เขาเป็นผู้พูดเสียเป็นส่วนมากเพราะข้าพเจ้าต้องการจะปรับปรุงตนเองให้คุ้นกับสภาวะอันใหม่นี้ซะก่อนข้าพเจ้าเพิ่งหลุดพ้นจากความป่วยไข้มาเมื่อครู่นี้เองเพราะด้พรากจากกายเนื้อมาเสียได้ดังนั้น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 ได้เห็นภาพชัดเจนจริงๆเพื่อนของข้าพเจ้าจึงกล่าวชวนขึ้นว่าถึงเวลาที่เราจะต้องไปกันแล้วดังนั้นเราจึงจากที่นั้นไปยิ่งห่างจากห้องออกมาก็ปรากฏว่าห้องนั้นมีหมอกควันปกคลุมหนาขึ้นทุกทีจนกระทั่งในที่สุดนั้นก็จางหายไปกับสายตา อันที่จริงจนถึงขณะที่กล่าวมาแล้วนี้ข้าพเจ้าก็ยังคงเคลื่อนไหวโดยใช้เท้าเดินแบบธรรมดานั่นเองแต่เพื่อนของข้าพเจ้าแนะว่าเนื่องจากข้าพเจ้าเพิ่งหลุดพ้นจากความป่วยไข้ามาใหม่ๆควรจะได้รับการพักผ่อนโดยอย่าออกกําลังให้มากนักด้วยเหตุนั้นเขาจึงเสนอว่าความเห็นว่าไม่ควรจะเคลื่อนไหวโดยแบบที่เคยกระทํามาแล้วคือโดยใช้ขาเดิน หลัจากนั้นเขาจึงบอกให้ข้าพเจ้ายึดแขนเขาไว้ให้แน่นและไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิน้นอันหนึง่งข้าพเจ้าจะหลับตาซสด้วยก็ได้ในทันใดนั่นเองพอข้าพเจ้าจับแขนเขาและหลับตาก็รู้สึกว่าตัวลอยขึ้นเหมือนกับความฝันฉชนั้นผิดกันก็แต่ในขณะนี้มันเป็นความจริงที่สุดการเคลื่อนไหวด้วยการลอยนี้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 เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างที่ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะบรรยายให้เห็นได้ว่าเรียบร้อยและสวยงามเพียงใดไม่มีย้ารกหรือเทวันต่างๆให้เห็นเลยในบรรดาดอกไม้เหล่านั้นเมื่อข้าพเจ้าตรวจดูอย่างใกล้ชิดแล้วก็กล่าวได้ว่าไม่เคยเห็นมีดอกไม้ที่ใดในโลกมนุษย์ที่ออกดอกบานสะพรั่งกันอยู่อย่างมากมายและสวยงามเช่นนี้เลย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 ระหว่างสีสันงดงามประการตาของดอกไม้และเสียงเพลงที่แววดังวังเวงใจยอยู่โดยรอบความจริงข้าพเจ้าก็ไม่มีความรู้ในทางดนตรีมากพอที่จะสามารถปัญญาให้ท่านเห็นแจ่มแจ้งโดยเฉพาะเทคนิคของวิชาดนตรีเป็นหลักได้ดังนั้นจึงไม่สามารถพนานาความกลมกลืนกันของสีและเสียงที่กล่าวมาแล้วให้มากไปกว่านี้ได้ สรุปความว่าไม่ว่าจะเหลียวมองไปทางใดข้าพเจ้าก็รู้สึกว่ามีแต่ความเจริญตาเจริญใจหาสิ่งที่ขัดในตามิได้เลยตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าเดินไปตามทางในสวนนั้นเราได้เดินไปบนหญ้าซึ่งอ่อนนุ่มจนทำให้รู้สึกเหมือนว่าเรากำลังเดินอยู่บนอากาศฉะนนั้นในบริเวณยังมีต้นไม้หลายพันขึ้นเรียงรายอยู่โดยรอบ ทุกต้นเราจะไม่เห็นความโคดงอบิดเบี้ยวจนเสียรูปทรงดังที่เรามักจะเห็นกันอยู่ในโลกมนุษย์นั่นเลยทุกต้นงอกงามสมบูรณ์ไม่มีอันตรายเกิดจากลมพายุที่จะบิดหรือหักกิ่งและกิ่งน้อยของมันไม่มีมแมลงที่เป็นศัตรูพืชเหมือนดังต้นไม้ในโลกมนุษย์ทั้งหมดชูลำต้นแตกช่อเขียวชอุ่มส่งกระแสทานแห่งชีวิตออกไปรอบด้านซึ่งผูเข้าไปใกล้จะรู้สึกถึงการสัมผัส ของกระแสา น, นี้ได้ทันทีข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นความจริงอีกอย่างหนึ่งที่ใต้ต้นไม้นั้นไม่ปรากฏว่ามีเงาเมือดอยู่เลยและในขณะเดียวกันมองหาดวงอาทิตย์ก็ไม่เห็นดูคล้ายๆกับว่าจะมีรังสีแห่งแสงสว่างอันแผ่ซ่านไปอยู่ทุกผลทุกแห่งเพื่อนของข้าพเจ้าบอกว่า แสงสว่างทั้งหมดนี้มาจากพระองค์ผู้ประธานแสงสว่างให้โดยตรงและแสงนี้ก็เป็นแสงทิพย์ที่ห่อหุ้มและฉายแสงให้แก่ชาวโลกทิพย์อยู่ตลอดการทุกคนทุกแห่งมีความอบอุ่นอยู่ทั่วไปบรรยากาศเงียบแต่ก็มีลมอ่อนพัดโชยกลิ่นหอมอันชื่นใจมาตลอดเวลาสภาพเช่นนี้มีอยู่ในโลกทิพย์โดยไม่มีวันเปลี่ยนแปลง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 ปัญหาเรื่องบุกรุกจึงเป็นอันไม่มีในโลกนี้และข้าพเจ้าจะไปเที่ยวเล่นในส่วนของใครๆเมื่อใดก็กระทําได้ตามปรารถนาโดยไม่ต้องเกรงผู้ใดจะว่ากล่าวเหมือนอย่างในโลกมนุษย์เลยขณะนี้เพื่อนของข้าพเจ้าได้กล่าวเตือนขึ้นมาว่าข้าพเจ้ายัางเป็นผู้ใหม่ในโลกทิพนี้จึงควรจะหาที่สบายๆ ส, ส, สักแห่งหนึ่งนั่งพัก สนทนาการถึงเรื่องต่างๆสักครู่หนึ่งอันที่จริงคําว่าสบายในที่นี้ขอให้ทราบว่าเป็นคําพูดเปรียบเทียบเท่า น, นั้นเองเพราะไม่ว่ามองไปที่ใดก็ดูเป็นสถานที่ให้ความสบายไปหมดทั้งนั้นและคําว่าความสบายนี้ข้าพเจ้าก็คิดว่าเป็นคําที่ตื้นละเกินจนไม่สามารถจะบรรยายให้เห็นสภาพอันแท้จริงในขณะนี้ได้เลย ในที่สุดเราก็มานั่งพักกันอยู่ใต้โรมไม้ใหญ่แห่งหนึ่งณที่นี้เราจะเห็นทิวไม้เขียวสดเป็นแนวยาวเหยียดไปสุดสายตาข้าพเจ้าเอนหลังลงนอนกับพื้นหญ้าอัน่ อ, อนนุ่มอย่างสบายคอยฟังเพื่อนของข้าพเจ้าบรรยายเรื่องหน้ารู้ต่างๆให้ฟังต่อไปสิ่งใดก็ตามที่เราได้กระทำไว้ เราจะต้องรับผลของมันยังหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อนของข้าพเจ้าเ อ, าอ่ยขึ้นสภาพความเป็นไปเท่าที่เราเห็นอยู่ตอนหน้าเราบาัดนี้เช่นบ้านนันสงบสุขก็ดีเหล่าบุคคลผู้ดำเนินชีวิตอยู่อย่างสดชื่นเรื่นเริงก็ดีล้วนเป็นผลของกรรมที่เขาได้สะสมไว้ในอดีตแล้วทั้งสิน้นในระหว่างบุคคลเหล่านี้เราจะเห็นแต่ละท่าน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 ท่านจะมีทัศนะอย่างไรสภาพเหล่านั้นจะยังคงเป็นของท่านต่อไปในโลกนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงทุกท่านสามารถปฏิบัติศาสนาคิจของตนต่อไปได้ตามเดิมจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านมีความเห็นเองว่าสมควรจะเคลื่อนตอนเองขึ้นไปสู่ขั้นที่สูงขึ้นไปกว่านั้นหน้าที่นี้ไม่มีการบังคับให้ผู้นั้นผู้นี้นับถืออย่างนั้นอย่างนี้ และมีโบสถ์ว่าให้ผู้ที่ต้องการจะปฏิบัตญญิศาสนาคิจได้ปฏิบัติต่อไปได้ตามเดิมตลอดเวลาเหล่านี้ข้าพเจ้ารู้สึกข้องใจอยู่อย่างหนึ่งว่าคือรู้สึกอยากทราบเป็นอย่างยิ่งว่าใครเป็นผู้กรุณาดูแลสวนของข้าพเจ้าให้เรียบร้อยเห็นปานนี้เพื <Es> ่อนของข้าพเจ้าดูจะรู้ถึงความคิดข้อนี้ดี ทั้งที่ข้าพเจ้ายัางไม่ได้เอ่ยปากพูดออกมาเขาจึงกล่าวว่าทั้งบ้านและสวนนี้เป็นผลของกุศลกรรมที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมไว้ในโลกมนุษย์ส่วนการออกแบบหรือดัดแปลงให้มีขึ้นเป็นหน้าที่ของชาวโลกทิพย์ผู้ที่เคยมีความชนานาญในเรื่องนี้โดยตรงเมื่อครั้งยังอยู่ในโลกมนุษย์ท่านเหล่านี้มากายทิพย์แยกออกจากสตีระกายมาอยู่ในโลกทิพย์ แล้วก็สามารถทำงานที่ตนถนัดต่อไปได้ด้วยความสะดวกยิ่งขึ้นเพราะไม่มีเครื่องทวงให้ขัดข้องต่างๆดังเช่นในโลกมนุษย์ณที่นี้ทุกท่านจะทำงานด้วยใจรักในงานนั้นจริงๆความสุขของชาวโลกทิพอยู่ที่การทำงานให้สาเร็จตามที่ตนสามารถและให้งานนั้นๆเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอีกด้วยนี่คือรางวัลของการทางานในที่นี้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 มาเหตุเพิ่มเติมจากผู้บันทึกเสียงเนื่องจากหนังสือเล่มนี้ท่านแปลามาเฉพาะคําบรรยายซึ่งหากไม่มีคําอธิบายเพิ่มอาจทําให้บางท่านลงเข้าใจผิดในบางประเด็นหรือมองเห็นเนื้อหาบางจุดว่าบางเรื่องไม่น่าเชื่อขาดเหตุผลทำามีพลาดประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ได้นะครับดังนั้นจึงขออนุ ญ, ญาตใส่หมาเหตุเพิ่มเติมในตอนท้ายของแต่ละบทหรือบางช่วงเพื่อให้ข้อมูลเสริมประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยผิดพลาดประการใด ต้องกราบของอาภัยครูบาอาจารย์และท่านผู้เกี่ยวข้องทุกท่านวินาที่นี้ด้วยนะครับจากคบญญาบรรยายนัดบทที่หนึ่งที่ว่าความเชื่อทางศาสนาที่ต่างกันนั้นในที่นี้ส่วนใหญ่หมายถึงความเชื่อในทางศาสนาคริสต์ที่เป็นคนละนิกายกันหรือมีความเห็นแตกต่างกันในส่วนย่อยเป็นหลักนะครับถ้าจะเป็นคนและศาสนาก็ยังคงต้องมีทิฏฐิใกล้เคียงกันไม่เช่นนั้นจะมาเกิดในภพเดียวกันภูมิภาคเดียวกันไม่ได้ ให้สังเกต น, นะครับว่าท่านพูดถึงแต่บทของคริสต์ไม่ได้พูดถึงสถานที่ทมพิธีของศาสนาอื่นเท่าที่สังเกตคาอธิบายของท่านหลายแห่งพบที่ท่านอยู่ส่วนใหญ่จะนับถือคริสต์จึงต้องขอย้ำไว้เสรรมอนะครับว่าที่ท่านเราคือพบภูมิที่เป็นท้องถิ่นหนึ่งกับผู้คนที่เสวยผลในแนวเดียวกันเท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องแสงสว่างที่พุ่งลงมาเป็นพลังจัเทวดาที่อยู่ชั้นสูงกว่า ที่อาจอยู่เหนือเทวภูมิขึ้นไปซึ่งเลยขอบเขตที่ท่านจะรู้จักหรือเข้าถึงได้จึงทำให้หลายท่านที่มีความศรัทธาเชื่ออยู่เดิมแล้วเข้าใจผิดว่าเป็นพลังของพระเจ้าหรือเป็นเทพที่ตนเคยนับถือตอนเป็นมนุษย์คือพอไม่รู้ที่มาก็ดาวไปก่อนตามความเชื่อของตนพลังบางอย่างก็เกิดมีได้จากบุญของตนนะครับเพียงแต่เมื่อมีการอธิษฐานขอจิตที่น้อมเชื่อในบางสิ่งแม้ไม่มีจริง ก็เกิดแรงเสริมพลังใจให้มีกำลังมากกว่าเดิมได้เช่นกันเกี่ยวกับเรื่องนี้มีคำอธิบายโดยละเอียดไว้ในหนังสือชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณซึ่งชมรมผลดีจะจัดทำเร็วๆนี้นะครับเรื่องการทำงานของเทวดานั้นหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมต้องทำเพราะคิดแต่ว่าทาบุญไว้ก็เพื่อไปเสพสุขให้สมใจจะมาเหนื่อยมาหางานทาทาไม ซึ่งนั้นก็เป็นการคิดแบบคนที่มีชีวิตเพื่อตัวเองเท่านั้นก็คงยากจะเข้าใจนะครับว่าการเป็นคนดีจริงๆสิ่งที่ต้องมีเป็นปกติคือความรักความปรารถนาดีอยากช่วยเหลือผู้อื่นบุญให้เกิดเป็นเทวดามีสุขพร้อมสารพัดก็ไม่ต่างกับคนรวยในโลกมนุษย์ที่ถึงจุดหนึ่งจะรู้สึกอิ่มเกิดความชินไม่สุขกับวัตถุเหมือนเคยแล้วเปลี่ยนไปหาความสุขจากการทางานอดเรกหรืองานช่วยคนแทน ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่คนรวยทุกคนจะคิดแบบนี้ได้บางคนยิ่งรวยก็ยิ่งติดในสุขแสวงหาสิ่งแปลกใหม่ไปเรื่อยแต่บางคนรวยแล้วก็ยิ่งขยันทำงานอาจเพราะความเคยชินหรือสนุกกับการที่ทำงานถ้าไม่ได้ทำก็เหมือนชีวิตขาดอะไรไปให้สังเกตนะครับว่าถ้าไม่ขยันไม่พัฒนาตนไม่อยากขยับฐานหน้าตนก็คงไม่รวยคงนอนยิ่งกินใช้ไปวันๆพลานสมบัติจนหมดตัว เหมือนเทวดาเอาแต่เสพสุขในที่สุดบุญก็หมดก็ต้องจุดติคือตายหรือเคลื่อนจากภพนั้นตอนเป็นมนุษย์มีนิสัยสันดานอย่างไรชอบสวยสุขทำบุญเพื่อหวังสุขให้แต่ตัวเองหรือมีปกติชอบช่วยเหลือผู้อื่นสนใจในการพัฒนาจิตตนเมื่อเกิดเป็นเทวดาก็ย่อมมีแนวโน้มไปตามนิสัยตามเดิมได้ง่ายเช่นกันสวรรค์ทาบุญได้ยาก เพราะทุกคนมีสูขพร้อมแล้วดังนั้นสิ่งที่จะสร้างบุญได้ดีที่ท่านพอจะทำได้จึงมีไม่กี่อย่างเช่นการช่วยจงจิตคนในอบายให้พ้นทุกข์ให้กลับใจการมารับวิญญาณคนตายการแนะนำผู้เพิ่งตายงานหลายอย่างถือเป็นการพัฒนาตนไปพร้อมกันจิตที่ปรารถนาดีทำอะไรเพื่อผู้อื่นย่อมเป็นบุญเมื่อมีบุญเพิ่มก็ย่อมต่ออายุเทวดาได้มากขึ้นไปโดยปริยายนะครับ พื้นฐานที่ไปเกิดเป็นเทวดาแต่ละชั้นได้ก็ย่อมมีฐานแห่งจิตเมตตาพอสมควรจึงไม่แปลกที่เทวดาจำพวกหนึ่งอยากทำงานหลายอย่างที่ไม่ต้องมีใครบังคับเต็มใจสุขใจที่ได้ทำมองมุมนี้จะได้แง่คิดเพิ่มนะครับว่ามนุษย์ที่มีปกติเสสละชีวิตเพื่อผู้อื่นนั้นวิบากคือนิสัยเหล่านี้ก็จะติดตัวไปอีกหลายชาติเกิดเป็นเทวดาก็สร้างบุญเพิ่มในสวรรค์ต่อได้ง่าย เราเคชินที่จะทำอะไรให้คนอื่นไม่ห่วงแต่หาสุขเพื่อตัวเองเหมือนได้ต่ออายุทิพย์ของตนได้ยาวนานกว่าเทวดาอื่นซึ่งจิตที่ปรารถนาจะช่วยคนอย่างแรงกล้าก็มากจะอยู่สวรรค์ไม่นานไม่ใช่เพราะหมดบุญแต่เพราะอยากช่วยคนอยากทาความดีจึงต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นพบเดียวที่ทำความดีได้ง่ายและมากที่สุดพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังคงนิสัยเดิมต่อได้ง่ายโน้มน้อมไปทาความดีได้ง่าย ตามหลักที่ว่ากรรพยายามจะรักษาเส้นทางเดิมเสมอสำหรับนิสัยที่ติดตัวมาเกิดนั้นตัวอย่างเห็นชาติกับเด็กและที่ยังเซจแส้งไม่เป็นบางคนให้ดูนะครับว่าเอาแต่ใจเลี้ยงยากหวงไปทุกอย่างบางคนเลี้ยงง่ายแกล้งขออะไรก็ให้หมดไม่หวงเลยถ้าไม่มีกรรมวิบากหรือนิสัยที่ติดมาจากชาติก่อนคนเราย่อมไม่เกิดมาแตกต่างมีนิสัยตรงกันข้ามแบบนี้ได้เลยครับ